คนตายไปแล้วช่วยอะไรไม่ได้บัดนี้ทุกคนหันมาสนใจกับบุคคลต่อไปที่เห็นอยู่ตามตาสางปาเจ้าพรานผู้ซื่อสัตย์พักดีของนักสำรวจผู้พบชะตากรรมท่ามกลางกลิ่นไอของมรณะซึ่งยังไม่ทราบว่าจะเกิดขึ้นกับใครอีกเมื่อใดมันเป็นเที่ยงวันมหานรกธนูถูกถอดออกจากลาของสังปาเรียบร้อยแล้วโดยการกระชากออกอย่างง่ายๆของขยิน ซึ่งบาดนี้มีสภาพเป็นหมอคนหนึ่งธนูของสารเขียวไม่มีเงี้ยงจึงไม่เป็นการยากเย็นอะไรนักที่จะถอนออกบาดแผลก็ไม่ลึกชะกันจนเกินไปแต่ความชะกันมันอยู่ที่พิษของอยางนอ่องซึ่งซึมเข้าไปตามเส้นเลือดร่างของพรานตองสูนอนเหยียดยาวอยู่กับพื้นตัวออกสีคล้ำขากันไกลทำท่าจะแข็งลักษณะอยู่ในระหว่างโคมา่าในสายตาของแพทย์อย่างดาริน บาดแผลบาดนี้ถูกคมมีดเปิดกว้างออกไปและพอกไว้ด้วยยาแก้พิษของขยินเรียบร้อยเจ้านักเลงยางน่องกำลังนั่งกอดเข่าพิจารณาคนไข้ของมันอยู่ด้วยตาดำใสสีหน้าเฉยเฉยเหมือนมองดูสัตว์ทดลองอะไรชนิดหนึ่งเขาจะรอดไหมขยินดารินถามแหบๆขณะตรวจจังหวะเต้นของหัวใจและชีพจร ชาไปสักหน่อยนายหญิงกว่าจะเอายาพอกแผลของส่างปาแต่แค่หญิงคิดว่ามันรอดอีกเดี๋ยวก็คงรู้ดูนั่นนายมันบุกเข้ามาอีกแล้วเสียงของพรานพื้นเมืองที่จ้องปืนประจำอยู่ในที่มัน่นร้องเอะอะกันขึ้นอีกและช่วยกันระเบิดกระสุนลงไปยังบริเวณลำทานสนันวันไว้พรานใหญ่กับคณะนายจ้างที่พากันมุงดูส่างปาอยู่หันควับลงไป ก็แลเห็นร่างดำๆอีกกลุ่มใหญ่พากันวิ่งข้ามลำธารบุกขึ้นมาตามทางด่านอย่างรวดเร็วเป็นจำนวนมากมายดูมืดไปหมดพวกมันทยอยกันออกมาจากราวป่าทึบฝั่งตรงข้ามและกระจายกาลังกันด่านหน้าข้ามฝั่งมายัางกล้าหาญดุเดือดไม่ผิดอะไรกับกองทัพที่กำลังบุกเข้าหมายยึดที่มันและเป็นการเคลื่อนข้าโจมตีอย่างฉลาดคือทยอยกันเข้ามาเป็นรลอกโดยยึดที่กบาบังโขดหินพุ่มไม้ คืบใกล้เข้ามาเป็นลำดับฉากของการระดมยิงอย่างขนานใหญ่ก็อุบัติขึ้นอีกครั้งแต่ในครั้งนี้ฝ่ายของมนุษย์จากเมืองย่อมจะอยู่ในสถานการณ์ที่ดีขึ้นเพราะต่างประจำอยู่ในที่มั่นพร้อมและมีระยะห่างพอที่จะยิงสกัดได้อย่างถนัดไม่ถึงกับประชิดติดพันแบบตลุมบอลเหมือนครั้งแรกเท่าที่เห็นอยู่ในขณะนี้สสงเขียวไม่เพียงแต่จะเป็นมนุษย์เผ่าที่ดุร้ายอำมหิต เหนือกว่ามนุษย์เผ่าใดในโลกเท่านั้นพวกมันยังมีสัญชาตญาณของความเป็นนักสู้ที่กล้าหาญทอรหดยิ่งดูจะไม่หวาดหวัน่นพลันพึงต่อความตายเลยที่จะถูกยิงล้มก็ล้มกลิ้งไปที่เหลือก็แผดเสียงโห่ร้องด้วยสำเนียงอันน่าสะพึงกลัวกระโดดข้ามศพเพื่อนรุกไล่เงือ ง, ง่าอาวุธรีเข้ามาบะกเรียงหน้าเข้ามาใช้ยันคำรามอย่างบ้าเลือด สัตยุดหกศูนย์ศูนย์ไนโตรคลื่นออกไปเด็ดสีสาด้านบนของไอ้ตัวหนึ่งที่กระโดดเยอยๆมาตามโขดหินขาดหายไปราวกัะจามด้วยขวานร่างนั้นพังงะหงายพรึงลำกล้องซ้ายของเขาก็กวาดจับไปยังอีกคนหนึ่งที่กำลังเงื้อง่าทานูกระสุนน้ำหนัก900เก้าร้อยกรนสำหรับปราบสัตว์ใหญ่กระทบร่างของมนุษย์กินคนหักพับไปทั้งคันธนูทั้งคนอย่างน่าดู เชษฐากับเราพินในขณะนี้ก็ทําหน้าที่ส่งกระสุนขึ้นลําเนียวไกลออกไปกระชากลูกเลื่อนสลับปลอกออกแล้วก็ขึ้นลํานัดใหม่ด้วยอาการอันรวดเร็วฉับไวราวกับเครื่องจักรทุกคนยิงกันอย่างช่ํามือปืนทุกกระบอกร้อนฉีทํางานเต็มสภาพของมันเสียงระเบิดของกระสุนขนาดต่างๆทั้งสิบกระบอกดังทีระรัว ก, กึกก้องไปทั้งขุนเขาไม่ผิดอะไรกระชากของสนธ ส, ส, สงครามในสนามรบ ดารินประทับจุด300นเวเทอร์บีแมกนัมติดศูนย์กล้องอยู่ริมกำบังซอกหินอีกด้านหนึ่งเหนือร่างอันหยีดยาวหมดสติของสางตาแววตาของหลอนคุณไว้ด้วยสีเลือดทุกนัดหลอนปล่อยมันออกไปอย่างประณนี่ที่สุดและเลือกยิงเอาอย่างทนัดทนีเป็นการยิงอย่างเจตนาโดยตรงที่จะทรมานมันเป้าหมายส่วนมากต่ากว่าระดับกลางลาตัวลงมา เป็นบริเวณโคนขาหรือเขา่าเจ้าผีดิบแต่ละคนที่ถูกศูนย์กล้องเวเทอร์บีจับย่อมจะเคราะ้รยยิ่งเสียกว่าพวกที่ถูกนัดเดียวจอดเพราะต้องผวาล้มลงกลิ้งร้องครวญครางกระเสือกกระสนอยู่กับพื้นลลอนไม่ซ้ำเพียงยิงสกัดแค่มันดิ้นกระเดวกระแดวอยู่กับที่แล้วก็เบนเป้าไม้ไปที่คนอื่นอีกต่อไปการรุกเสียจังหวะชะงักลงอีกครั้งหนึ่ง เพราะพวกมันไม่สามารถจะฝาใใ่าแนวกระสุนที่โปรยออกไปเป็นม่านสกัดอย่างหนานแน่นไว้เข้ามาถึงได้ด้วยอำนาจของปืนทั้งสิบกระบอกพวกมันจำนวนหนึ่งหลบซุ่มอยู่หลังโคดหินอันระเกะระกะมีระยะประจันหน้ากันอยู่ห่างเพียงไม่เกินห้าสิบหลาปืนของฝ่ายตั้งรับก็สงบลงไปชั่วขณะเพราะมองไม่เห็นเป้าหมายนอกจากเว้นห่างประมาณสองสามอึดใจ ทุกคนก็ได้ยินเสียงไรเฟิลในมือของดารินแผลสถานขึ้นสักนัดเท่าๆก็มีเสียงร้องยังเจ็บปวดแหววมาให้ได้ยินหลอนสามารถค้นหาเป้าหมายห่างไกลอันลับๆ ล, ล, ล่อๆนั้นได้จากกล้องเล็งแล้วก็บรรจงสอยออกไปทีละนัดขนาดโผล่ปลายจมูกพ้นโคนไม้ออกไม้เห็นแม้เพียงนิดเดียวหลอนก็ยิงสักเล็จุยชายันร้องตะโกนบอกเกิดให้ลำเลียงขีปนาวุนออกมาอีก เพราะกระสุนสำรองที่ใช้กั้นอยู่กำลังร่อยหรอออกไปท่านใดนั้นเชิฐาก็พูดขึ้นโดยเร็วขืนมวยิงปะทะการบุกแบบบ้าเลือดของมันอย่างนี้เปลืองกระสุนเปล่าเราต้องสงวนลูกปืนไว้ถ้ามันต้องหาทางตัดศึกซะละผมก็กำลังคิดอยู่เหมือนกันครับพรานใหญ่ตอบโดยเร็วเดี๋ยวซ้ายแหลขวายกแขนป้ายเงือกชา ย, ยันผู้กำลังบรรจุกระสุนชุดใหม่เงยหน้าขึ้นอย่างเพิ่งคิดได้ จริงสิลืมไปซะ ส, สนิทว่าเราน่ะฝังระเบิดไว้พร้อมแล้วเขาพูดระล่ำละลักฉะโงกหน้าออกไปทางช่องหินที่กำลังตาลุกวาวระเบิดมันเสเดี๋ยวนี้หรือมันเล่นล้อมเราไว้หมดทุกด้านไม่ยอมถอยแบบนี้นะ้ามืดลงเมื่อไหร่แล้วก็เสร็จมันแน่เพราะพวกเราจะต้องมองไม่เห็นแล้วยิงประทะไม่ทันตอนที่มันบุกเข้าโจมตีซ้าในตอนกลางคืนทุกคนใช้ความคิดอย่างหนัก ำกลางบรรยากาศมันตึงเครียดรพินยังไม่เ อ, อ่ยอะไรขึ้นในขณะนั้นเหมือนจะรอฟังความเห็นของฝ่ายนายจ้างอึดใจต่อมานั้นเองหัวหน้าคณะผู้รอบคอบก็เ อ, อ่ยมาว่าใช่ถ้ามันยังขืนล้อมเราไว้แบบนี้ตกค้าเมื่อไหร่เราจะแยกดูถ้าพวกมันไม่หว่นอำนาจปืนของเราเลยแล้วก็ใช้วิธีบุกแบบหน่วยกล้าตายซะด้วยไอ้พวกนี้นะ่ะมันนักสู้แท้ ถึงคราวแล้วที่เราจะต้องใช้ระเบิดแต่ต้องอีกวิธีหนึ่งไม่ใช่วิธีที่แกว่าและจะวิธีไหนล่ะอดีตนายทหารปืนใหญ่ถามโดยเร็วกรอกบรนดีเข้าปากระ ง, งับความกระสับกระส่ายเชิดท้าปาดแขนขึ้นเช็ดเหงื่อที่ปลายคางสลัดออกไปพุ่งสายตากราดจับลงไปยังภูมิประเทศอันเป็นแนวรบเบื้องล่างซึ่งบัด น, นี้มันสงบเงียบลงอย่างแฝงเล่ห์ ส, สน่ ไม่สามารถจะทำนายสิ่งใดได้ถูกแลเห็นแต่ซากศพของสางเขียวที่ถูกยิงนอนตายอยู่ระเกะระกะตามพุ่มไม้และก้อนหินต่างๆที่นี่นะมันเปรียบเหมือนป้อมค่ายของเราเชษฐากล่าวมาด้วยเสียงแหบเม้มริมฝีปากแน่นในตารีลงระเบิที่เราฝังไว้รอบด้านเหล่านั้นจะเป็นอาวุธชิ้นสุดท้ายใช้เฉพาะกรณีที่มันบุกฮือเข้ามาโดยที่เราไม่สามารถจะต้านต ขึ้นต่อไปได้แล้วถ้าเรารีบร้อนระเบิดมันขึ้นซะก่อนริงอยู่มันอาจได้ผลในกรณีที่ขับไล่มันให้ถอยห่างแตกกระจายออกไปได้แต่นั่นก็แปลว่าแนวป้องกันของเรานะําหมดสิ้นไปแล้วถ้ามันหวนตีตลบเข้ามาอีกครั้งเราก็เสร็จเพราะปล่อยไม้ตายชิ้นสุดท้ายออกไปแล้วถือว่าในกรณีนี้ยังไม่จาเป็นเราต้องสงวนมันไวจนวินาทีสุดท้ายชัยยันลืมตาโผลขึ้น มันก็จริงของแกนะเออถ้างั้นทำไมไม่เรียกเจ้าพระรามแงซทายของเราเข้ามาไม่ต้องมากครับแค่สองครืนเท่านั้นถ้ามันยังไม่ถอนกำลังวิ่งป่าราบไปมันก็เห็นจะไม่ใช่คนแล้วละ่ะขณะนี้เราต้องการให้มันถอยหนีไปก่อนเรื่องอื่นค่อยคิดกันทีหลังพ่นยานใหญ่ยกมือขึ้นดีดเรียกแงซายโดยเร็วเจ้าคนใช้ชาวดงผู้ประทับปืนจ้องอยู่ยังแนวกบาบังต้นหนึ่งเยื้อออกไปไม่ห่างนัก หันกลับมาเขาขวักมือใจเดียวร่างกระหงานั้นก็เคลื่อนเข้ามาหยุดยืนอยู่ตรงหน้าเราจะไม่รอให้มันบุกแล้วค่อยยิงอีกแล้วละ่ะเงาทายแต่จะไล่มันออกไปด้วยระเบิดเชษฐาเป็นคนกล่าวขึ้นแกอดีตนายทหารกองโจนกระเรียงพร้อมกําตกที่ต้มแขนกํายํานั้นโดยแรงเตรียมธนูติดในโตรของแกได้เงาทายกม้มศีรษะพละไปโดยเร็ว อึดใจใหญ่ๆก็ถือคันธนูพร้อมกับลูกที่มัดติดระเบิดไว้พร้อมแล้วตรงเข้ามาอีกครั้งด้วยอาการอันสงบรพินอัดบุหรี่ที่เพิ่งจุดสองสามครั้งเฉลยไรเฟิลขึ้นสปายไล่ป้องปากตะโกนบอกให้พรานทุกคนซึ่งประจำที่กำบงังเตรียมพร้อมอยู่ในขณะนี้รูตุและให้คอยระวังพร้อมอยู่ในที่มั่นเดิมแล้วหันมาทางนายจ้างชี้ขึ้นไปให้ดูหน้าผาเหนือศีรษะของทุกคน อันสูงขึ้นไปประมาณ15้าเมตรแน่หินก้อนใหญ่เงื้อมชะโงกเป็นจงอยโผล่ล้ำแนวระดับออกมามีส่วนเชื่อมติดอยู่กับผนังผาส่วนใหญ่คอดกิวนิดเดียวอย่างมินเมทุกคนแงนขึ้นไปมองตามแล้วก็เข้าใจในความหมายของจอมพรานในทันทีโดยไม่จำเป็นต้องเอ่ยออกมาเป็นคำพูดเชิดฐาแยกเขี้ยวยิ้มตาเป็นประกายมองดูจอมพรานอย่างไว้วางใจสนิท ในทุกสถานการณ์พับผ่าสิผู้กองนี่แต่คุณไม่เตือนผมก็ไม่มีวันเฉลียวคิดหันขึ้นไปเห็นนรกเนื้อหัวของเราลูกนั้นเลยแล้วหัวหน้าคณะก็ออกคำสั่งให้ขยินกระบุนคำช่วยกันหามร่างอันหมดสติของสางปาที่ยังนอนอยู่ตรงนั้นหลีกห่างพ้นดัศสมีก้อนหินใหญ่เบื้องบนไปยังตำแหน่งปลอดภัยอีกด้านหนึ่งตัวเขาเองชา ย, ยันและดาริน ก็พละออกจากที่เดิมหมดเข้ายึดที่กำบังพ้นจากบริเวณอันเสี่ยงอันตรายจากการหล่นลงมาทับนั้นคอระวังให้ดีนะครับพอระเบิดลั่นขึ้นไอ้พวกที่ลบอยู่ตามก้อนหินริมลำทานนั่นจะพละออกเล่นเข้าไาไม่ต้องห่วงจะเก็บให้เกลี้ยงทีเดียวชัยันคำรามตอบมาอย่างเขี่ยมเคลียมระพินหันมาโบกมือกลางแซาย แล้วออกเดินนำเลาะลัดกำบงังไปตามแนวโขดหินเหล่านั้นไปกันเพียงสองคนจนกระทั่งมาหลบซุ่มอยู่หลังก้อนหินใหญ่ก้อนสุดท้ายใกล้กับแนวที่ประจันหน้ากันใกล้กับแนวที่ประจันหน้ากันอยู่ภายหลังจากพิจารณาดูภูมิประเทศกะคำนวนอยู่อึดใจเดียวก็ชี้มือกระซิบบอกเราจะใช้ระเบิดเพียงสองลูกเท่านั้น กะหมายให้ตกลงใจกลางกลุ่มที่มันแอบซ่อนชุมนุมกันอยู่ลูกแรกยิงโดงข้ามลำธารให้ตกลงไปในดงทึบซ้ายมือนั่นพยายามให้ข้ามยอดพงนั่นไปลูกที่สองยิงไปทางขวามือตรงที่เห็นยอดไผ่โผล่ขึ้นมาจอมพลเนจอนก้มศีรษะลงอย่างเข้าใจในคำสั่งซักซ้อมของเขาพรานใหญ่เหลียวกลับขึ้นมาสารวจดูผู้ร่วมคณะทุกคนอีกครั้ง แล้วออกคําสั่งให้เงาทายเตรียมตัวเจ้าคนโดวงร่างยักษ์ขยับตัวฉันเข่าขึ้นในท่าถนัดหยิบลูกธนูขึ้นผ้าสายสุดลมหายใจเข้าเต็มปอดอย่างกว้างใหญ่สุดลมหายใจเข้าเต็มปอดอันกว้างใหญ่ตาเบิกโพลงขมิบมองไปยังเป้าหมายอันดับแรกอันเป็นแนวป่าหลังลำธารด้านซ้ายมือ ปลายบรีติดไฟในมือของรพินก็ค่อยๆยืยย่นใกล้สายชนวนเข้ามาแล้วก็แตะฉับควันสายเล็กๆพุ่งฉุยขึ้นในพริบตานั้นยิงเขาร้องหนักๆในลำคอพร้อมกับก้มตัววูบลงมีเสียงสายธนูดีดพับออกไปโดยแรงจากนั้นก็เป็นความเงียบจนสามารถจะได้ยินเสียงหัวใจเต้นรพินนับอยู่ในใจ ซึ่งก็คงจะเป็นอาการเดียวกระเชษฐาและชยันในขณะนี้เขานับไปจนกระทั่งถึงส0 1สอดและส2สองทุกสิ่งทุกอย่างก็ยังคงเงียบเชียบอยู่ตามเดิมในระหว่างคนยิงธนูกับคนจุดสายชนวนบัดนี้จ้องตากันทำไมมันเงียบอย่างนั้นระพินอุทานออกมาด้วยเสียงกระซิบผู้คองแตะไฟถูกสายชนวนหรือเปล่า เงยสายหน้าตื่นพืมพำมต่ำๆจอมพรานขมวดคิ้วพร้อมกันก็มีเสียงใครคนหนึ่งตะโกน ล, ลงมาถ้าไม่ใช่เชษฐาก็คงเป็นชัยันฮะสายชนวนทรยศเกิดบอดขึ้นเช้นแล้วหรือยังไงผู้ ก, กองจอมพรานกับพริบตาทิถีอยู่เช่นนั้นแต่แล้วพริบตานั่นเองก่อนที่เขารึกใครจะคิดเช่นไรต่อไปเสียงเหมือนระเบิดที่ทิ้งจากเครื่องบิน ก็กำปันหน้าสะเทือนขึ้นปานเขาบริเวณนั้นจะพลิกถลม่มกิ่งก้านของต้นไม้ปลิวว่อนสูงขึ้นไปบนอากาศพร้อมกับเปลวไฟแลบวาบแดงฉานตามติดด้วยมา่านควันหนาทึบมันสะเทือนก้องไปทั้งหุบโดยไม่ต้องรอพิจารณาผลว่ามันจะเกิดอะไรติดตามมาหลังจากนั้นเขาร้องบอกเงซ้ายเร็วหรือญิงลูกที่สองเร็ว พระรามแงาสายก็ไม่ได้มัวตะลึงเสียสติชักช้าอยู่เลยแม้แต่วิบตาเดียวจัดการพาดสอนพรมมาดดอกที่สองขึ้นแรงยังรวดเร็วว่องไวพอเขาจุดชนวนพร้อมกับให้สัญญาณยิงพร้อมกับให้สัญญาณยิงขาดคำก่อนเนียวคันธนูปล่อยพึบออกไปอีกในกระลูกที่สองระเบิดเร็วกว่าลูกแรกเกือบเท่าตัวไม่ถึงอึดใจเท่านั้นมันก็สัแดงเดชขึ้น้วยเสียงปานฟ้าถลม่ม โอนประสานกับเสียงสะเทือนครั้งแรกที่ยังไม่ทันจะจางหายสนิทลงและลูกหลังนี้เกิดเป็นเปลวไฟลุกติดแนวป่าด้านนั้นขึ้นทันทีท่ามกลางเสียงร้องอย่างเตือนโหนกอื้ออิงและเพ่นกันอย่างปาแปดของเจ้าพวกผีดิบซึ่งเป็นไปอย่างชุลมุนโกลาหลเหลือที่จะกล่าวทั้งรพินและเงยทายก็แววเสียงตะโกนก้องอย่างตกใจของคณะที่ซุ่มประจำกันอยู่ตามแนวโขดหินเบื้องบน จำแนกไม่ถูกก็เป็นเสียงของใครบ้างแต่พอหันความขึ้นไปหัวใจก็แทบหยุดเต้นก้อนหินใหญ่น้ำหนักประมาณห้าหกตันที่แต่เดิมเป็นส่วนที่ชะโงกล้ำออกมาจากหน้าผาหลังแนวลูกนั้นบักนี้มันขาดหลุดจากที่เดิมเพราะแรงสั่นสะเทือนของอนุภาพระเบิดลนลงมากระแทกพื้นเบื้องล่างตั้งแต่เมื่อไรไม่ทราบได้ทว่าขณะที่เหลวขึ้นไปพบยาม น, นีมันกาลังกลิ้งครุก ปานรถบทถนนมาตามพื้นอันเทรากระทบกระแทกแก่งหินก้อนที่เล็กกว่าแต่กระจายเป็นฝุน่นเพราะกระเสียงดังสนั่นวันไหวมุ่งตรงมายังตำแหน่งที่ระพินและแง่ทรายมอบเคียงคู่กันอยู่อย่างรวดเร็วปานลมพัดพรานใหญ่เป็นผู้เตือนคณะนายจ้างของเขาเองให้หลบออกพ้นจากรัศมีการตกทับของหินก้อนนั้นเชก่อนที่จะยิงระเบิดขเขพียงแต่คาดคะเนเอา้วยสายตา และถือหลักปลอดภัยไว้ก่อนเท่านั้นในแบบนี้คนทั้งสามก็หลีกหลบไปพ้นทิศทางโดยปลอดภัยแล้วทาว่าตรงข้ามอย่างคาดคิดไปไม่ถึงเลยเขากลับตกเข้ามาอยู่ในรัศมีมรตยูของมันเข้าให้เองจนได้ภาพที่เห็นในสายตาตะลึงมันไม่ผิดอะไรกับภูเขาทั้งลูกที่กำลังจะกลิ้งลงมาบดโดยระยะที่ห่างออกไปไม่ถึงสิบหลา เขาไม่มีเวลาพอแม้แต่จะเตื่นเงไซให้ทราบถึงมหันตภัยอันนั้นและก็ไม่ทราบด้วยว่าตนเองได้ปฏิบัติลงไปเช่นไรการเคลื่อนไหวทุกสิ่งทุกอย่างขณะนั้นมันเป็นไปตามสัญชาตญาณ น, นอกเหนือบังคับปรากฏเสียงลั่นขึ้นตูมใหญ่ในเสี้ยววินาทีต่อมาสะเก็ดหินที่กระทบกันแตกปลวเข้ามาถูกร่างกายที่กาลังพลิ้งสะบัดอยู่หลายทอดหลายตลบจนชาดิก และมุตอยูก้อนนั้นก็กระโจนข้ามก้อนหินกับที่เขากับแงซายหลบอยู่ยกๆยกกระเด็นกลิ้งด้วยความแรงต่อไปยังทางด่านลาดชันเบื้องล่างไปสิ้นสุดลงในลำธาร น, น้ำซึ่งแตกกระจายสูงเป็นลำขึ้นมา อีกทีเพื่อค้นหาเจ้าคนดงผู้ร่วมสถานการณ์แล้วรพินก็ถอนใจโล่งแง้ายไม่ได้แหลกเหลวยับเยินติดอยู่กับแง่หินลูกนั้นตามที่เขาเข้าใจแต่แรกอดีตนายทหารกองโจรกระเรียงขณะ น, นี้หมอบกระแตอยู่อีกทางด้านหนึ่งตรงข้ามกับด้านที่เขาพลิกหลบออกมาอย่างหวุดหวิดหมอนันว่องไวในการเอาชีวิตรอดไม่น้อยไปกว่าเขาเลยระหว่างที่ต่างตะเกิกตะกายพยุงตัวลุกขึ้น เบื้องบนก็แส่สนันลั่นอื้อไปด้วยเสียงสันโวอีกวาระหนึ่งจนทําให้ต้องทิ้งกายหมอบราบลงกับพื้นตามเดิมเสียงหัวกระสุนคลางวีดวิวผ่านศีรษะไปได้ยินอย่างถนัดเป้าหมายของกระสุนเหล่านั้นก็คือร่างของเจ้าพวกผีดิบสางเขียวซึ่งบัดนี้พากันแตกกระจายออกจากแนวที่กำบังฝั่งเดียวกันวิ่งตเตลิดเปิดเปิงเพื่อข้ามลำธารไม้จะเข้าดงอย่างไม่คิดชีวิต เพราะขวัญเสียเท่าเท่ากับทิ่ไพ่พลส่วนใหญ่ที่ซุ่มล้อมอยู่ในแนวป่าทึบก็เพ่นกันอย่างไม่รู้ทิศทางระพินคำนวณไว้อย่างแม่นยาที่สุดลูกระเบิดที่แงซทรายยิงตามเป้าหมายกำหนดของเขาตกลงกลางกลุ่มของพวกมันที่แอบซุ่มอยู่อย่างถนัดพนีทั้งสองลูกที่แลกย้อยยับเป็นจุนไปในทันทีก็ส่วนหนึ่งที่เหลือรอดตายมันย่อมทนอยู่ต่อไปไม่ไหว ต่อเฮียมหานเก่งกล้าสักขนาดไหนก็ตามพวกที่แล่นหนีพละจากที่กำบังในขณะ น, นี้ก็ถูกยิงร่วงพลอยเป็นระนาวเหมือนเสียงผาที่เหมือนเรียงผาที่ถูกไล่าราวเข้าแนวปืนแทบว่าจะไม่มีคนใดเหลือรอดข้ามลำธารกลับไปได้ส่วนมากไปพริกผงะล้มคว่ำกันอยู่กลางทานน้ำนั่นเองเลือดย้อมปนไปกับสายน้าขุ่นคลักแดงฉานไปหมด ล้มตายกันเป็นเบือเจ้าคนสุดท้ายที่วิ่งข้ามลำธารไปอย่างไม่คิดชีวิตตกเป็นเยือกกระสุนลูกซอง9กเเม็ดของขยินกระโจนขึ้นตะกายอากาศและล้มคว่าหน้าคาที่อยู่กับฝั่งตรงข้ามนั่นเองเสียงกระสุนนัดสุดท้ายสิ่งกลางวานของมันลงแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็ตกอยู่ในความเงียบสงบเช่นเช่นเดิมช่วขณะหนึ่งต่อมา กีซุ่มคอยยิงอยู่ในที่มั่นก็พากันวิ่งลงมาอย่างระพินและแง่ทรายผู้ที่ขณะนี้ยังหมอบอยู่กับพื้นอย่างรีบร้อนด้วยความเป็นห่วงสิงชัยยันกระเชิดาร้องถามลั่นลมกรแต่ก่อนที่ทุกคนจะวิ่งลงมาถึงทั้งครานใหญ่และเจ้าคนใช้ชาวดงก็พยุงตัวลุกขึ้นทงตราความโล่งใจของทุกคนที่เห็นทั้งสองไม่ได้รับอันตรายมากนะักได้ผล พวกมันเพ่นกันป่าราบไปหมดแล้วอย่างน้อยก็ชั่วระยะหนึ่งเชิฐากล่าวขึ้นภายหลังจากสอบซักอาการของเขากับแงายหรีบลงไปดูที่เกิดเหตุครั้งแรกเถอะเมื่อกี้นี้พวกเรายังเห็นอะไรไม่ถนัดเลยก็ถูกมันล้อมเล่นงานเอาซะละชัยันบอกมาโดยเร็วรพินสั่งให้คนของเขาส่วนหนึ่งรวมทั้งแงใาย คุ้มเชิงอยู่บนเนินสูงตำแหน่งทิศนั้นที่เดิมอย่างไม่ประมาทตนเองพร้อมด้วยบุญคำและคณะนายจ้างทั้งสามงมาอย่างลำธารบริเวณที่เห็นร่างของฮอฟมันล้มอยู่เป็นครั้งแรกตลอดทางที่ไต่กันลงมาตามด่านลาดชั้นนั้นเกลื่อนกลาดไปด้ิยศพของสางเขียวที่ล้มกลิ้งระเนระนาดอยู่แต่ยังไม่มีใครหันไปสนใจนอกจากจะพะวงมุ่งอยู่กับหลักฐานต้นเหตุครั้งแรก ที่สองัญญาผิวที่สองสามีพัญญาผิวขาวถูกจู่โจมเข้าเล่นงานและที่ทุกคนจิตใจร้อนแทบเป็นไฟอยู่ในขณะนี้ก็คือมาริยาฮอฟมันซึ่งอันตรธานไปเสื้อผ้าของสองผัวเมียนักสำรวจยังคง ถ, ถูกกองอยู่ยังตำแหน่งเดิมที่ระพินมาพบครั้งแรกและกล่าวเตือนให้ขึ้นจากทานน้ำไม่แสดงว่ามีร่องรอยการเคลื่อนย้ายแตะต้อง ซึ่งหมายถึงว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นก่อนที่ทั้งสองจะขึ้นจากลำธารและชั ย, ยันกาดารินก็อุทานออกมาเมื่อมองเห็นชันในของมาเรียแขวนอยู่บนกิ่งไม้โดยเฉพาะดารินหน้าซีตัวสัน่นน้อยๆเชิดฐานเงียบกริบตรีตาซึมสำรวจดูหลักฐานเสื้อผ้าเหล่านั้นทุกคนพอจะเดาเหตุการณ์ได้ถูกว่ามันเกิดขึ้นอย่างไรโธเม บารินครางออกมาด้วยเสียงสั่นเครือเพราะมั่นถูกฆ่าแล้วเมียก็ถูกมันลาดเอาตัวไปทั้งทั้งที่ไม่มีเสื้อผ้าติดตัวแม้แต่ชิ้นเดียวเสียงของชา ย, ยันแห้งเหือดอยู่ในลําคอกัดริมฝีปากแน่นมันเกิดขึ้นอีท่าไหนนี่นี่พวกผมไม่รู้เนื้อรู้ตัวเลยนะกําลังนอนหลับตื่นขึ้นมาก็เพราะเสียงปืนนี่แหละหัวหน้าคณะพึมพำ ม, มองไปทางระพิน ผู้บัดนี้มีสีหน้าเรียมจนแลดูดำมืดกรามทั้งสองขบแน่นเหมือนจะข่มความรู้สึกสองคนลงมาแช่น้ำที่นี่ครับเขาตอบแผลๆ่ๆตาแลจับอยู่ที่เสื้อผ้าของคนทั้งสองด้วยความรู้สึกอันไม่อาจกล่าวถูกผมออกไปสำรวจทางด้านหลังเนินนั่นก็ยังไม่เห็นวีแววอะไรกลับเข้ามาในแคมป์ สอบถามสั่งป้าได้ความว่าสองคนมาเล่นน้ากันที่นี่ผมก็เดินลงมาเตือนให้เขาขึ้นเขาก็บอกให้ผมกลับไปก่อนเดี๋ยวจะตามขึ้นไปพอไปถึงแคมป์ข้างบนนั่นผมก็มอยหลับไปแต่อย่างมากก็คงไม่เกินสิบนาทีหรอกหลังจากที่พูดคุยกับทั้งคู่เป็นครั้งสุดท้ายตกใจตื่นขึ้นอีกครั้งก็เป็นเวลาเดียวกับที่พวกคุณและคุณชายสะดุ้มตื่นนั่นแหละ เชิฐาก้าวพ้นจากบริเวณโขดหินใหญ่ก้อนนั้นไปชิดชายลำธารตรงที่เขาประคองร่างของดรฮอฟมันก่อนที่จะถูกสังเขียวบุกเข้าจู่โจมกว่าสายตาสำรวจไปรอบๆย่างอ่านเหตุการณ์ฮอฟมันมีปืนสั้นติดอยู่ด้วยในตอนนั้นและยิงออกไปสามนัดเสียงปืนนั่นแหละที่ปลุกพวกเราทุกคนขึ้นคุณคิดว่าเขารู้สึกตัวถึง เขารู้สึกตัวถึงภัยตอนไหนก็จะต้องรู้อย่างจวนตัวกระทันหันที่สุดอะไรครับแล้วเขาจะวิ่งออกมาเอาปืนสั้นยิงได้ทันยังไงฮอปมันก็เมียถอดเสื้อผ้าออกกองไว้ที่หลังโขดหินนี่หมดก็จริงแต่เขาก็รอบคอบพอที่จะมีปืนสั้นวางอยู่ใกล้ตัวด้วยอันนี้นะผมยืนยันได้เพราะฮอปมันเป็นคนบอกร้องบอกผมเองว่าเขามีปืนสั้นติดมืออยู่ใกล้ๆ ก, กระบอกหนึ่ง วางไว้บนอาจวางไว้บนก้อนหินใกล้มือกับบริเวณที่เขาเล่นน้ําที่ใดที่หนึ่งถ้างั้นรูปการควรเป็นอย่างนี้หัวหน้าคณะอ่านเหตุการณ์อย่างใช้ความรอบคอบที่ท่วนที่สุดระหว่างที่กําลังแช่น้ําเพลินอยู่นะไอ้พวกนั้นก็ย่องกลิบเข้ามาโดยที่ทั้งคู่ไม่ทันรู้สึกแล้วก็จู่เข้าประชิด ต, ตัวกว่าจะรู้ตัวพวกมันก็ถึงตัวซะละ พมันมีโอกาสคว้าปืนขึ้นยิงเผาขนออกไปสองนัดคือสองศพที่เราเห็นอยู่จมน้ำอยู่กลางลาฐานนั่นเป็นครั้งแรกต่อจากนั้นเขาก็มีโอกาสยิงได้อีกนัดเจ้าคนหนึ่งเข้ามาทางด้านหลังก็แทงเขาด้วยหอกล้มลงอีกพวกหนึ่งช่วยกันคล้าตัวมาเรียลากขึ้นฟังไปทางด้านโน้นซึ่งมีพวกมันส่วนใหญ่รอคอยพร้อมอยู่ก่อนแล้วอย่างเตรียมที่จะดักเล่นงาน พวกเราเป็นละลอกสองพอเราได้ยินเสียงปืนวิ่งลงมาดูมันก็คือเข้าโจมตีอย่างที่เห็นแล้วก็ต้องเป็นอย่างที่คุณชายว่านั่นแหละรครับพรานใหญ่ตอบแผวต่าอ่านจตนาและแผนของมันด้วยชายันสอดมาโดยเร็วมือยังถือกระติกแบรนดีกรอกเข้าปากดับอารมณ์อันร้อนรุ่มกระวนกระวายอยู่เช่นนั้นมันตั้งใจไว้ยังไง ยกทับเข้ามาไม้ล้อมกรอบจู่โจมพวกเราทั้งคณะเลยทีเดียวด้วยว่าเจตนาจะเล่นงานเพียงสองคนผัวเมียที่กําลังเล่นน้ําอยู่แล้วเกิดประทะกับเราขึ้นเพราะพวกเราวิ่งตามลงมาถึงเหตุการณ์ผมเชื่อว่ามันจะต้องยกพลเคลื่อนกําลังส่วนใหญ่ไม้บุกเข้าโจมตีพวกเราทั้งคณะนี่แหละครับท่านใหญ่ให้ความเห็นหลักฐานที่จะให้เชื่อเช่นนี้ก็คือ การยกกันมาเป็นจํานวนมากของมันอย่างที่เห็นอยู่แล้วนั่นย่อมแปลว่าพร้อมที่จะบุกเข้าเล่นงานเราทั้งหมดที่นี่ระหว่างที่ซุ่มล้อมเงียบใกล้เข้ามาก็เห็นฮอบมันกัมเมียสองคนเล่นน้ํากันอยู่อย่างเปลือตัวจิงส่งกําลังจํานวนหนึ่งหมายย่องเข้ามาตะครุบเงียบก่อนเป็นอันดับแรกฮอบมันสู้ขึ้นซะก่อนมันเลยฆ่าเขาค่าเอามาเรียไปแล้วมันก็รู้ดีว่าพวกเราจะต้องพากันครูลงมาที่นั่นและนั่น คือจังหวะที่มันฮือเข้าใส่อย่างที่เราพบมาแล้วระหว่างที่ต่างยังยืนอึง้งตับสินใจยังไงไม่ถูกนี้ดารินก็ร้องออกมาอย่างร้อนใจเหลือที่จะกล่าวและจะทํากันยังไงดีแล้วเนี่ยตอนนี้ไม่รู้เมย์เป็นยังไงบ้างแล้วอะ่ะตอนที่พวกเราตกใจตื่นขึ้นเพราะเสียงปืนยังได้ยินเสียงร้องเป็นครั้งสุดท้ายของเมย์ละจากนั้นก็ไม่ได้ยินเสียงอีกเลยนั่นเสียงของหล่อนสะท้านสั่นเหมือนจะร้องไห้ เพราะหลับตาว่าภาพชะตากรรมของเพื่อนสาวไม่ถูกอย่างน้อยที่สุดหล่อนก็เคยเห็นมกตาตนเองแล้วว่าสางเขียวมีวิธีการยังไงกับเหยื่อที่เป็นผู้หญิงของมันเชษฐาหันไปบีบแขนน้องสาวไว้แน่นอย่างปลอบใจยิ้มกล้านเกรียมผุดขึ้นที่ริมฝีปากของราชสกุลหนุ่มหัวหน้าคณะ